บุรีรัมส่งกระจายเสียงในะระบบ FM ความถี่ร0 1 7 5อเมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่1368 GHz กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ ไว้เคียงข้างมอนเมื่อยามหลับนอนงอนน้องพิ่หวงใหญ่จำคืนวันนั้นได้ไหมเหล่าเคยมีสองเรานั่งยิงพิงไฟเรายังคงรักกันสดใส ตัวอยู่ไกลหัวใจไม่ห่างกันวนฟ้าที่ห่มดาววนสาวเพืนอได้เปลี่ยนใจ ของพี่เปลี่ยนพันคำว่าจะสัญญาคงมันสื่อตรงต่อกันรักมันเพียงเธอรอจงรอถึงวันรวมสร้างคอยวันรวมทางเคียงข้าง สใจดวงเดียวรักจริงแต่เธอไม่ยอมให้เปิดเพลิอเพแบ่งกันวอนฟ้าที่ห่มดาววอนสา ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานำเสนอเรื่องราวข่าวสารสาระน่ารู้ที่น่าสนใจนะครับมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่มีน้ำท่วมอยู่หลายๆจังหวัดนะก็ต้องเอาใจช่วยพี่น้องนะครับที่น้าท่วม ให้ผ่านพ้นวิกฤต ด, ด้วยดีแล้วครับคงจะต้องลงไปแก้ไขไปช่วยเหลือกันเพราะเฉพาะทางภาคอีสานนี่แถวสกลนครแถวนครพนมนะก็ยังหนักหน่วงกันอยู่ก็ต้องก็ต้องดูนะครับนะข้อมีมีน้ำจากหลายสายเข้ามานะครับนะอาจจะไหลาจากภูเขาสูงมาแล้วทางภาคใต้นี่ก็น้ำจากภูเขาก็มามาท่วมตามหมู่บ้านต่า ง, างๆภาคใต้ก็หนักนะครับ เพราะภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ทางภาคเหนือนะครับแถวเชียงรายเชียงใหม่ก็ยังมีรวมทั้งแถวพื้นที่เขาแะครับนะที่เป็นเขาจังหวัดน่านจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็คงต้องมาเล่งจัดการบริหารจัดการน้ำกันแะครับมาติดตามดูในส่วนของทางด้าน รัฐบาลเนี่ยนะครับในะวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาคณะมนตรีรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับมี11คณะซึ่งอ่าก็เป็นการตั้งขึ้นมาทดแทนสปท์นะ ส, ส, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งหมดวาระไปก็จะมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมาใหม่นะครับมีกรรมการ มีตั้งสิบเอด้านเนี่ยมีกรรมการไม่เกินคณะละสิบห้าคนตอนนี้ก็มีคณะกรรมการไปแล้วร้อยหิบห้าคนนะครับจ่อเห็นชอบไปร้ยี่สิบคนก็ยังเหลืออีกนะครับก็ทยอยจะทยอยอตั้งไปให้ให้ครบตามตามจํานวนนะครับที่มีการเสนอซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับในะที่น่าสนใจที่น่าติดตามอย่างเช่นทางด้านคณะกรรมการทางด้านการเมืองนี่ก็มี ดอเอรอนเนกเราธรรมทัศนะเป็นเป็นประธานนะครับซึ่งอ่าก็อาจารย์อนเนกนี่ก็ก็ติดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการเมืองมามาตลอดแล้วก็มีนายดรธีรพัฒนเสรีหลังสรรอดีตประธานสภาพัฒนาการเมืองหรืเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมการแล้วก็มีกรรมการอีกหลายคนอย่างเช่นนายวันชัยสอนสวิลลนะครับมีเกี่ยวกับนายอ่า ระวีประจวบเหมาะนะครับมีานายกฤษดาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีพลเอกอพิชาตเพนกิติออดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมก็มีมกรรมการอยู่อยู่หลายคนนายบรรทุนล่ําซ้านะครับานายแบงค์ของธนาคารกสิกรไทยนะครก็เป็นเป็นกรรมการชุดการปฏิรูปการเมืองนะครับการปฏิรูปการเมืองส่วนชุดทางด้านกฎหมายนะครับมาดู จะปฏิรูปทางด้านกฎหมายนี่ก็มีอดอกเตรโบวรนสัก์อุวันโนนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเนีครับเป็นอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างน้ำนูนนะชุดก่อนนายมีชัยเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีนายคำนูนสิทธิสมานนะครับนะซึ่งอดีต เ, เป็นสปทแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับนะมา ร่วมนะครับในในในคณะกรรมการทางด้านกฎหมายอย่างเช่นพลเอกจีละโกมุตพงศ์ซึ่งเป็นอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญนะอม็มีมีกรรมการอยู่หลายหลายส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดที่สานี่ด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมนี่ก็มีนายอัชพรจารุจินดาซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเป็นประธาน และกรรมการท่านอื่นๆอย่างเช่นแพทย์หญิงพรทิพย์โรชนสุนันท์นะครับแล้วก็มีพลตำรวจโทรอำนวยนิมมโนก็อยู่ในชุดของกระบวนการยุติธรรมนะครับมีหลายๆคนนะครับนะที่ที่อยู่ในนี้แล้วทางด้านเศรษฐกิจนะรรมาดูทางด้านเศรษฐกิจกรรมการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจก็มีดรประสานไตรลักษ์วรกุล็อดีต ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานแล้วก็มีนายชัยวัตรวิบูลสวัสดิ์แล้วก็มีนายอิสระวอ่องกุศลกิจนี่เป็นหอการค้าไทยนะครับในอิสระวอ่องกุศลกิจนะครับแล้วก็มีนายกอบศักดิ์ภูตะกูลนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมาเป็นกรรมการมีนายชาติเสริโสพลพาณิชย์นแบงค์ใหญ่ธนาครารกรุงเทพก็มาเป็นกรรมการด้วยนะครับกรรมการในทางด้าน เศรษฐกิจนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านพลังงานน่าสนใจนะพลังงานนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันนะน้ำมุกน้ํามันเนี่ยนะครับก็มีนายพรชัยรุ จ, จิประภาซึ่งเป็นอดีตประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการด้านอื่นทังด้านพลังงานอย่างเช่นนายมนูนศิริวัล น, นะครับนายดุสิทธิ์เครืองาม นะครับแล้วก็มีนายปียศวรรษอมรนันนะก็เป็นอดีตน้ำเตีพลังงานแหะครับนะตัวแทนเป็นกรรมการอดีตประธานบอร์ดของปตทเนี่ยมาเป็นกรรมการพลเอกเลิศรัตนวานิชอะหลายคนแหละครับมาเป็นกรรมการด้านพลังงานส่วนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีดรรอยนจิตดอนซึ่งเป็นผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับเป็นประธานแล้วก็จะมีอาจารย์ทรทํารงนาวสวัสด์ซึ่งเป็นอดีตสปทมีนายแพทย์ชูชัยสุพวงศ์นะครับหลายๆคนครับมามาเป็นกรรมการทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็ก็กดูดูแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกันหลากหลายทางด้านสาธารณสุขนี่ก็มี ที่จะมาปฏิรูปทางด้านสาธารณสุขก็จะมีนายแพทย์เสรีตู้จินดาซึ่งเป็นอดีตอดีบดีกรมการแพทย์นะครับแล้วก็จะมีนายแพทย์นาล์สหเมีทาพัฒน์อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์พลเดชปิ่นประเทีปซึ่งเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นอดีตรับทีช่วยพัฒนาสังคมเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยนะครับ ทางด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศนะก็มีประธานก็คือนายจิรชัยมูลมูลทองซึ่งเป็นประลัดสดํานักนายงตรีนะเป็นประธานแล้วก็มีพลอากาศเอกนิตสุวรเนธนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมาเป็นกรรมการนายธงชัยนะนครบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มาเป็นกรรมการในชุดสื่อมวลชนด้วยนายประดิษฐ์เรืองดิษฐ์ ก็เป็นอดีตสื่อนะครับนะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมาเป็นชุดนี้รวมทั้งนายสุดทิชัยหยุนผู้บริหารเคอรเนชั่น น, นี่ด้านสื่อนะครับถ้าทางด้านสังคมนี่มีนายปิติพงศ์พึ่งบุญอยุธยาซึ่งเป็นอดีตท่านมตีว่าการกระทรวงกรเกษตรเป็นประธานแล้วก็มีนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับมาเป็น กรรมาการในชุดด้านสังคมนะมีในส่วนของนายต่อพงเสรานนทนายกสมาคมคนตาบอดก็มาอยู่ชุดนี้นายวิเชียนชาวลิศนะครับมาอยู่ชุดนี้เหมือนกันนะครับมาดูทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดชอบนะพวกที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการปราบปรามการทุจริตก็มีนายปานเทพ กล้าณรงรานซึ่งเป็นอดีตประธานปปชเป็นประธานกรรมการก็จะมีนายกล้าณรงจันทิกนะฮะแล้วก็พลเลอเอกพัชจุนตามประฏิบนะอดีตสปปทนะครับนะมีหลายๆคนนะครับนะที่มาอยู่ในในวิชามหาคุณอะไรทำนองนี้แหนะครับมาอยู่ในกรรมการชุดปปชเนี่ยนะครับนะซึ่งผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนก็บอกว่านะจากโผลที่ออกมา ในส่วนของกรรมการปฏิรูปในชุดต่างๆนี่ปรากฏว่ามีอดีตสมาชิกสภาการขับเคลื่อนืนสอสปทเนี่ยปฏิรูปประเทศนี่มากถึง44บคนมีอดีตในทหารสิบสองคนนะครับแต่ก็กระจายอยู่ในในชุดต่างๆซึ่งจากการเปิดเผยของรองนายยงตีวิษนุเรือ ง, งามก็บอกว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการปฏิรูปนะก็จะ ให้ค่าเบีย้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาทซึ่งประชุมสัปดาห์ละไม่เกิน2ครั้งเดือนหนึ่งก็อาจจะมีเบีย้ยประชุมประมาณ4 8 0 0 0บาทต่อคนนะครับนะเป็นการเปิดเผยของรองนายยงตรีก็ต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปกันต่อไปล้วครับนะเพราะจะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศมารับฟังเพลงครับก่อนจะมาพูดคุยกันต่อครับ พูดมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับ เ, เรื่องของคณะกรรมการาปฏิรูปในในด้านต่างๆนี่อย่างอย่างที่บอกแล้วครับเรามียุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับมีแผนนีที่จะมีการาปฏิรูปในด้านต่างๆนะครับมีแผนที่กําหนดไว้30ปีนะครับเราบอกมียุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นในคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง11ชุดเนี่ยก็จะ ทำหน้าทีใ่ในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในต่อจากสปทนะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งซึ่งหมดวาระไปหลังจากที่รัฐธรรมนูญลประกาศใช้นะครับนะประกาศใช้แล้วแล้วช่วงนี้ในส่วนของคณะกรรมการยกร่างรัฐมนูลกําลังมีการพิจารณากฎหมายลูกที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ว่าด้วยเรื่องกกต ว, ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนะครับนะซึ่งซึ่งกฎหมายต่างๆเหล่านี้ถ้าเสร็จแล้วก็จะนับถอยหลังที่จะไปนำไปสู่การเลือกตั้งซึ่งในส่วนของกกตเนี่ยนะครับนายสมชายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนสิงหาคมในปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งระบบการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีะรายละเอียดที่ ที่แตกต่างกันไปจากแต่ก่อนนะครับซึ่งมีข่าวกันออกมาว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่ผู้สมัครใ น, ในระบบการเลือกตั้งในแต่ละเขตจะได้หมายเลขนี้ไม่ตรงกันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะจับฉลากได้ก็จะไปกลับไปเหมือน เ, อนเดิมนะครับจะไม่ได้หมายเลขเดียวทั่วประเทศเน่อจะมีอาการเพิ่มระบบ Primary w a r d เข้ามาคือให้แต่ละพักเนี่ยมีการ คัดเลือกผู้ที่จะมาสมัครลงรับเลือกตั้งนะครับซึ่งมีขั้นมีตอนอยู่นะครับก็ต้องทําตามที่ในส่วนของกฎหมายกําหนดไว้นะครับกําหนดไว้ซึ่งก็มีรายละเอียดกันกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องต้องติดตามดูนะเพราะตอนนี้เนี่ยมีในส่วนของคณะกรรมา ก, การร่างน้ำหนูในกําลังมีการออกกฎหมายลูกนะออกมาว่าด้วยองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยออกมากันหลายชุดแล้วนะครับนะก็ ติดตามดูนะครับกำลังมีการที่จะมีการออกกฎหมายถทยอะออกกฎหมายกันมานะครับในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปก็จะหลังจากมีการตั้งแล้วก็จะทํางานกันไปนะตามตามตามขั้นตามตอนต่างๆเหล่านี้นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่เราก็จะเห็นว่าก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีการเริ่มลงทุนโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอ่าลงรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์นะครับโครงการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกหรือว่าในส่วนของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจกรรพิเศษนะก็กำลังขับเคลื่อนซึ่งก็น่าจ ะ, ะทําให้เศรษฐกิจเนี่ย จ, จะฟื้นตัวได้ก็ต้องติดตามดูผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะขวันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธ น, นันต้องขอ ลาท่านไป ก, ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ s m um. e